อนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ625 1อิกษุอธิษฐานภายใน7วัน2องพิษุสละให้ไป3ามพิษุมีเพศสัตว์หายภายใน7วัน4ี่พิษุมีเพศสัตว์ฉิบหายภายใน7วัน5้าพิษุมีเพศสัตว์ถูกไฟไหม้ภายใน7วัน6กพิกษุมีเพศสัตว์ถูกโจรชิงไปภายใน7วัน 7. ภิกษุมีเพสัชถูกถือเอาไปโดยวิสาสะภายใน7วัน 8. ภิกษุผู้ไม่เยื่อใยให้แก่อนุปสมบันิด้วยจิตสละละวางแล้วกลับได้ของนั้นมาชั้นอีก 9. ภพิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติเภศัชชะสิกขาบทที่3จบ